อ่านี่เราเรียกว่าตอนนี้นะเก็ใช้กำลังของเจโตที่ยอยยานเพาเจโตี่ย่อยยานมันเราแทรกสองแบบดูโดยจิตโดยยุพาะแต่วารยังโดโดยิตโดยทเนี่ยมันไม่ค่อยจริงใจนะไม่จบสูดมันไม่เต็มใชหมมันตู้โดยที่สมานในกายไม่ได้ใ่มคน อันดีกว่ามันไม่คงกว่านะอันเหลืที่ท่านดูด้วยไปดูดูจิตเฉยเยจิตท่นหนาจิตทดำไอ้ไม่ก็ไม่รู้จะไปไหนก็เดาเดาตอนนี้เราจะดูได้เลยว่าไอ้หมอนี่จะล้มลงล้มไไหนไอ้ปั๊ปจะล้มงล้มไไหนแน่มันดับแรกอันี้ต้องท่องนรกข้ามมันชินถ้าเราไม่ชินทมถามมุสลิมก่อน ว่าคนนี้แหละจิตดำซื่อมัวหมองหรือ ว, ว่าแดงแดงไปสีเลือดอะไไม่ได้แดงไ่สีเลือดปกเขาดีใจก็จริงเขาว่าเขมีความดีก็อาจจะมีใจพลักเขาโมยเขโกงเขาไม่เขามาก็ได้เขได้มาแต่เขาดีใจเขาว่าดีใ จ, าาดใจสีแด ง, งจะสีไดงจะนึกจะปสมองมันเวได้ ไปดีใจกันเลยก็ได้แล้วต็ต้องดูเลยว่าดำเปือ่อยหนาๆึ้ดๆไม่มีมันแบกเนื้อต้องลงอาบายภ อ, อาบายภูมไหนหนอะต้องถามระพปิดใจเราจะรู้เองข้าจะตอกว่าถ้าว่าถนนลงภูมนี้แล้วถามตอไปจากภมนั้น้นมาเป็นมนุษย์เลยต้องไปต่อไปไหน้งเราก็ได้ไล่ได้เฉยๆแตบแบบแ่ถ้าิดติดิแตกกันก็มาต้อการมั ได้เจริญกนนารในธาตุกายในเนี่ยมหาจิาตวิญญาณตัวข้องสอนเพราะนั้นอาจารย์ที่ไม่ได้เลยการอนนุปนิมิตท่านบอกไว้เลยนะว่าคนที่ไม่ได้เจโตวิญญาณเนี่ยานไม่สอนกรรมฐ า, ทานท่านูนี่กูคนที่ไม่ได้เจโตวิญญาณเนี่ยห้ามเป็นโครูสอนข่านดูเอะไรถ้า ต, ตัวมันมันยังไม่รู้ท่าเป็นอะไร ไม่อะรู้รู้สิอะไรได้ยังไงมาดูสิโก้หกเรยักหน้าเลยสุเลยไปสอบกันยังสอบกันเท่าสอบยังไงไม่สอบลมดีไม่ดีทุกสิบคนหน้าโก้อาจารย์เรายักหน้ากันเลยเดี๋ยวไอ้ทุกสิคนไหนที่อาจารย์ชมมาดีถ้ไหนสอบต้องทุกสิบคนมันใส่ไ้วก็เลสฆ่าก้เท้ากันไอ้สอาจารเราไม่ก็อาจารย์นาชมมาดีอันนี้เ้าย แต่อาจารย์ที่ดีเนี่ยเขาก็ไม่ค้านในสิ่งตเมื่อเริจารณาพิจารณาความจริงแทนที่พยยามค้าเขาก็ไม่คานเขาก็ยกธรรมะขึ้นมาอธิบายเป็นกลางเป็นโลกอธิบายเป็นาลนะเาด่าแหลอธิบายว่าอารมณ์จิตคืดีควจะเป็นอย่างไยคมอารู้์ใจเป็นแบบนี้ท่านบายแล้วเขาด่าอที่ธรรมะถ้าไม่จะด่าเราเขาโกเขาคุกคโหก แต่เขาบอกให้เจสุขตอบนออไอที่อบมาไม่เป็นใความปจริงความเป็จริงก็เป็นใางนี้ถ้ารู้สึกที่ดีก็ตัดตัวถ้ารู้สึกไม่ดีก็รอเวทีไปเลยก็ไม่ได้รู้สึกก็แค่เรียนรู้ใจนี่ก็นั่นว่าเราใช้เจตวิญญาณแบบนี้เออกรณีสนุกดีไหมสนุกดีไหมสนุกจังเลยถ้กลับไปเมกาไปคืนเขาได้หละยได้ถ้าเงิสดไมกับห้องตรงนี้เนี่ย อ่ายใช่ดีไหมดอันนี้นวามเริยความรู้อันนี้พวกเรามีความสามารถอยู่นานแล้วนะนักก็มาเริ่มได้มาลงยุคที่เนี่ความสามารถใช้อันนี้ได้เลยเพราะว่าที่พู้สับเราอั น, นี้บอกว่าถ้าเป็นที่หน้าขึ้นได้ผู้รักษาที่ได้น ค, นคนไม่ได้ยางนี้คนไม็ได้ได้มาลงยุคที่คนนำนิทาน ม, มาใช้แต่ก็ไม่มีใครสามารถสะนำเครื่องฆ่ามาใช้ วันนี้กนั่งแลว่รู้าทำไมถึงใช่ในใดีมีความรู้ตัวพรพุทธเจ้าต่างเดียวว่าำว่าสากเวทข้าพเจาไม่รับคำแนะนำไม่มีทางทางใดอย่งแน่นอนไถามให้เขาว่าพระพุทธเจ้าก็ทำไมได้ปลั่งมาได้ก็บกแกมาจากพะพุทธเจ้าแล่วแกจะเป็นทับลอยจริงๆก็เป็นข้าหลวงของพระาหลวง้นไม่ไ้เราที่มีแต่ความปลั่ ตอนนี้ไปที่เขตตัวยาและอันนี้สุริวาสานุปิญาณเห็นไหมเป็นการอนุชาดายาได่เรียกว่าเป็นตับตอนนี้เราก็โว์ถอยหลังที่ไรชาอะไรชาเขาถอยาลัเขาตัอย่างนี้อันตาเพราะขาดฮอริโอเขาจเสียตัวเองแต่โดยท่านไม่ได้าริงเาใช้ใจตัวเองแต่ยากอยากจะทำตามเขายาเอกเลยทุกบทด อดลยนะัรู้เองกัได้เลยถามพระพุทธเจ้าเราถามพระพุทธเจ้าเราได้กำไรสองอย่างหนึ่งเรารู้ไม่ผิดแต่การสองผิจากพระพุทธเจ้าเป็นปกติเป็นพุทธาลัพติกธรรมทานในธรรมทานทุก่อน4ลยสกรสิบาองกว่าแผนนี้ไปนี้ไปง่ายที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดคือพุทธาลัสติกรรมทานใช่ไหม เ, เองใช่ใคาไม่เห็นพระเจ้าเขาบริการตอนนี้เราเห็นเราเห็นอยู่พระเจ้าเลยทุกวันทาไมเล่นทุกวันยานแปนเล่นในขึ้นขึ้นว่างก็เล่นเล่นตรหนเล่นตอนเล่นเราต้องการยานนี้ก็นั่งนานพระเจ้าไมแล้วก็รู้หล่นรู้หนี่รู้นั่นปะการไม่บรรดาพวกเราดลแล้วปล่อยั้งนู้นข้างโลกแล้วก็เหยียดหยามไอ้ีอกระยำระยำแบบนี้ไม่มีสติเมันจะไม่ใชกับตะกบตัมเราเป็นอะไรสมิยกายเรอผ่า อันมามองดูตัวมันก็เหมอนต้มแวก็ตากตอันนี้ไปเป็นสุเทมิวอาจารย์สี่ย่างเอาไป น, นิดนึงเฉยก่นยอนที่มาจเนี่มาจะไหนนะเป็นมั น, นเาาานื้อเป็นธรรดาดูว่าท่านโตไดอินใช่ไหวเดี๋ยวหน้าเร็หลังสายเส้นนั่งหน้าเขาจะเจ้า ถามว่าถามภาพจากคนถามนั่นเลยขอดูภาพเดิมทันทีเพราถามแล้วขอดูภาพเดิมเลยตัวก็โผล่ขึ้นมาตามปกติตรงเครื่องสีอะไรยามปกติมันเป็นหนูเองเออแต่แค่ยืนอยู่ไม่ได้ภาพเลยสีแดงยามปกตินะแต่ยามมีนจะแตกนิดเดียวลาเทกผละ นหลายสีแต่ว่าออกสีแดงเออกสีแดงเหลืองสีต่ว่าสีแดงงไอ้นี่ยมันไม่ใช่เพรายอ่แกต่อเพืเพื่อนเตมาราถ้าหาก็ท่านดาวดีเสื่อนแบกเพรผลก็สีเขียวอ่อนสินะนะนี่ก็เป็นเพื่อนเพื่อเพรลผลเอเื่อนแบกเ่รี่แต่ไขใช่ อ่านาั่นแหทุกทีกระโทยานปกติมันก็ไม่ได้แต่อะไรเลย้า้งมีทุกดบบาาวแล้วก็เราจะห่วกะจในนิดเดียเท้เขายี่เป็นธรรมาก็แต่งอย่างจนจนมีแไม่ประดับอออยหลในชาตก่อนที่จะมาจาด ง, งดาวดีก่อนที่จะดาดีมาจากคนแลมาจากลมแล้มาจากธรรมดาไม่ใส่นนหลังไปจะต่องห่วใจอย่างนะหละ ห น, น้าทา่หานเขาพาดเลยขาพาอะไรไปแปดคนแปดคนแรกจักตอนนี้เป็นนทุ่งคนไะมถ้าที่เป็นคนสุดท้ายคืออะไรเออท้ายเป็นการรวมตอนนี้เป็นค น, นอลไรตอนจะเป็นคนนั่งเจอพระเจ้าตรึงนะคะเออแรกจัดตอนนี้น ท, ที่ว่า เห็นเห็นอาเนี่ยเป็นพระหมายูบมก็ไอ้ใชเวลาเห็นพระหมายจูบไหเห็นจะามาไได้เวลาเราเราทไหรแขวนหน้าดิาจจะนิ้วมืนจะตึงะ แต่ไม่ดูมือทไทยมือฟ้าเยกสี่นิ้มือท้ายยกสามนี้หัวแล้วก็เจ็บเฮ้ยมือท้ายอยากเหยเที่ยวไม่ต่อรองชอบนะเราจากคนทั้งที่เจ็บแล้วก็จากพ้นที่เจ็ลงมาเออเป็นคนสมัยพระเจ้าจักริสมัยพระเจ้าจักรินทร์เราเป็นคนเป็นชายี่หน่งเาย่ไ ร่าหน้าตาไป็นไรขาอ้วนค้อนข้างขาอ้วนขาแข็งขาสั่การขัดขอ้วนไม่อ้วนเลยเออต่อต่อยไข่าไมอ้วนเลยหอมเจือชาดเดียวเย็นตรงอยู่นี่เสมก็จะเจอสมัยเดียวเย็นตรงเละอินรุ๊งอันนี้ถ้าเป็นปรกติวิวาสานสี่ยั ยงก็ใช้จุดดปปูปฏิญาณดูได้เพนเวลานละมันมีคิดอะไรทำด้วยใจเลยเองเลยทางขอดูีภาพอยู่แค่เริมองนั้นเพื่พอนแกฟังรูปภาพอ่าวไ เอาง่ะไปไปไปกันตัวลาหน้ามัน normal เอ้อรต้นนี้เอ้กเอ้ยไกลเป็นผนนี้กันไงเอ่อชาตินี้ออกไปเป็นอยู่กท่านเส้ยอะอนชาติปั้นหุ่วานะจากนั้นก็ต้องเป็นเป็นคนไปไหนเอ้ ยา่ไพ่เป็นตัวเองคอดถ้าเราถามว่าพระเดจาย์เรถามแม่สีตองเขาดูภาพข้าพระบาตรเกิดทันทีได้เราไม่เหมอันนี้เรื่องที่เท่ตองเขาตันทีเพาถามวัดเขาดูภาพยังเลยเรทําอะไรจะไปดึงคมจนนั่นภาวนาทจะมาที่จิตจเรา่ะหลับตายหลับตายคือตายแค่ไหนในโลกนี้ ตองการาะสมาธิเอาดูภาพมันต่อไปขาดูภาพต่อขณะที่เร่รัดสมาธิเพื่อความเป็นลมสเรียกร่ากันแต่วัยไหนวัยปฐมมาไวย์เรียกว่าปัจจุบันมาไวยคือไวย์การคนวัยแก่ยการคนแัวย์กายอนเวลานั้นเราเป็นพระเป็นเนแล้วแต่จะไหวอะรว่า อย่ามาอยมัใช้กำลังใจตัเอใช้ยามันเอง็ทางสีกออันนี้เขาแนนำเวลานี้เ้องเขาทานพักก็ทานทัทีละขาดูภาพเลยเขาทามเ่าขอดูภาพเลยขดูภาพตรงนี้ก็ใช้คำคถามนี้ก็ถามเ่ยขดูภาพนั่นจรอันนี้จะต่อมันก็ไวมันก็ใช้เวลามากอันนี้ยังใช้กงใจที่เราจะสมหวังแต่ใช้ยามันเองนี่มันเท่ากับการันี ไอ้กิวอันนี้เป็นปุวริวาสัญาอ่กานี้จะไมเลิกสุที่สระสุขให้กูให้สระจะมัยน้นเลาอกจ้ะเกิดเกิดเนนเกิดเป็นีดารเวลานั้นเอารับเข้าไเอาเร้า ต้องดและต้องขาวดแดงดแดแดงอาวุที่ถัดจริงๆเป็นดบหนึ่งในเวลานั้นเป็นดาบแล้วอเัดาบแลอาหอยาวก็่ตัดเนี่นนี้ีกว่าถนัดจริงๆแค่ข้มืมันเป็นทุกอย่าง เอาเด็กฝึกทุอย่างที่เ่อตัวจริงจการประจัญบาก็หอีอากรืธรมาถ้ารวัดาเอ๊ะดาดานัดกิงดาสองมดัดมาเดย่งมือแล้วมือีแต่อ้เพราว่าการิาอว่าเอามเดียมนเข้าแน่ถ้องถ้าองเข้าแล้วถเ้า แต่ e ว่าที่มีความต้องใก็ดาบสองมือแล้วดับไอ้มือที่จะหายคนมากๆแต่มือใต้ไม่ก่าข้าใช่ไหมไม่ป่าเลยมือใต้เท่าไรกทั้ปานทั้งกันตะก้วยว่าดาบสองมือเนี่ใช้ติดเล่นเลยใช้ปังเล่เลยไอ้การเกดบมือใต้เขัมือใต้ตึงอ่ะใช่ไหม ไปแล้วมีการหนักตัวมีการต่อการรายดาบไม่อะไรกันแต่ไม่ฆ่าสิอาจจะเสียข่าดาบจากสมุทไทยแตเราไม่จัก็อนอันนี้ือการควบคุมไอ้ขาเดียยัร่เจ็บเอาตามชาบใจก็ไม่ต้องจะน่าเรียนลำดับแยังนในสมัยหนึ่งหรือในสมัยเสด็จพระอ ช่าเปิ่าลาย่านดันช่้ที่ดอกไอ้ชางที่ดีที่สุดชางเปิดเป็นไหงตัวใหญ่แต่ไม่ใช่สีขาวแตมีคนเลียงอยู่ในโรงลาเปิดที่ไม่ขาวทั้งตัวเขาั้งตัวไม่มีตัวเดียวคือช่าลายกะายแค่ขงมิจการเปิด็ต้ดวเปิดคุ้มจุกนะ ตรที่อื่นละเมิกันหมดจะมีจุดใดจุดหนงในการผูกมาทัวจะเข้าใจเขาตัวเลยใช่ใช่อันนี้อะไครับใหญ่ไหมใใหญ่นะเอออันนี้เห้จบใช่ก็จบเอาอย่าก็เสีแล้วไลไปแล้วมาไลหมจบได้ไม่มีที่เนี่ยดีถ้าเราเดินไปเขาก็อไเจอสุนักเจเรื่อนมาเราไลเจ็บไปเรามุดรับ จากผูจ่ายก่อนเพราะดูภาพเลยก็ได้แต่อย่าทาต้องไม่ถึงผู้จ่ายก่อนเพฐานโอเฮยเกิดไอสุัขที่เรนนี่แบบนี้ตาภาพมนเซ็ตเขามาบอกว่าไอ้นี่มันลูกหลานกูกูไม่ต้องโกงเฮ้กูไม่ได้เก็บเินไอ้้เนี่ยไอ้โดนเงนใกูให้น้อยใ่ไหมเจใช่ม่เคยเห็นเปล่าะเคยจออไม่น่าจิ้งพาไปข้เนื้อหมทต่ยไปไอ้ขาหนกันนะวะ นี่ถือว่าเป็นปกติในวารสารสิญญาเนี้นไม่สาคัญแต่ก็สำคัญมากนะที่ว่าไม่สำคัญเพราะว่ามันเ ง, ง่ายที่ว่าสำคัญจริงๆเพร่ะว่าเราจะได้ดูพวกตายตายเราเคยเกิดเป็นคนไหมเคยเจอรายกายนั่นเอาไปอยู่ไหนล่ะเคยเกิดเป็นคนในชาติก็ต้องทํามาหาสิตอนนี้มันอยู่เวลานี้มันอยู่ไหนนัน้นเอามา เราเคไปเคยเคยคนนี้ว่าสนามมัมีไหมเรเคยไปใหญ่เจ้าตัวอะเจ้าป้นเวลาไหนเขเป็นตัวแต่ว่าไม่ใช่แค่ไม่ใช่เจ้าัวคนนี้อยู่ที่้าคนือน่แคนละคนเจ้าตัวนี้ไม่ถูกฆ่าเพระเจ้าตัวถึงเวลาที่เจ้าจะสละลายผมบาดเป็นรวันอางนี้แหละเจ้าตัวเวลานั้นก็มาจากประเทศจีน มีทัพยิถึงมากุดยาปล่องโโตใหญ่ๆล้วมียาป้องยาวๆยาวตินนอยสตกลอยจริงอารยอรรมถึงระเบียเตียนทัพถึงก็มากแต่ยนั้เวลานี้มันก็ประมาณที่เจ็ดแปดสิบล้านนะขึ้น่อยนะใช่เอ่อล้านี้ไปไว้ไหนไม่มีแล้วเย่แล้วก็ดูตอนนี้ว่าทรัพย์ถึงของโลกหหาไว้เท่าไหร่ เวลาตายเราจะไม่ได้ร you know, ่างกับผมเส้นเดียวเราก็นาไปไม่ได้ทรินทังหลายที่หาไว้เกิดตายหลงเป็นหลงมัวเมางินทรัยหลายว่าน้เราเป็นขอเราถจะตายหน้าไปเดาไ็จะสุดขึ้นเลยก็เลยคล้อยอย่างยื่ได้คนที on, it, ่มเมาเลยทรัพยนองันดีเลยในร้าคนทยมัเมาแ้ก็ตายไปเาเป็นเือขงอดัสมันยังดีก็เลยารัมเลยเป็นเาไป เอกหรับสิทธิวิวาย ส, ย ส, ยสยามปัญญาญาต่างๆให้ไปใช้พวกคูกับผู้บรรลายโดยเราจะมีความเดือนหน่อยในกายเกิดเป็นมนุษย์เป็นธรมดาแล้วการมีภัราการมีสัอบสมบัติเราต้องมีมีวิธีดมันต้องมีแต่ถ้าอย่าหลงในทรัพย์สินอันีิสีดไม่มีไม่ไดไ้ต้องหาสิอย่างพระอริยเจ้าจะนำสา ข, ขาก็ดีในสา ข, ขารวยที่สุดในโลกหมานยะั้น เงนนับเป็นกดไม่ได้ต้องตัวกันไเรื่อลเงยนเอาจีร้อยจีอันจีหมื่นจีแสนเรื่องเนว่ากันเลยแต่ก็ถึงั้นรวยอย่างนั้นท้าก็ยังต้องทำมาจีถ้าีนิสเปนอยู่ถ้าไม่ทำจินมันห ม, มนขึ้นมาเลยทตกายเพราวจิตใจนั้นท่านไม่ได้ติดอยู่ในในทัพถินิันดรานั้นท่านาใหญ่ให้ครก็ต้ อ, องให้ใจอย่าตายแตอย่างกระไปในทางเลี้เขาเียงผ้าปู ข้าพูดมีหายมาตั้งาคาพื้นหนึ่งมีเพื่อนทั้พื้นนึ่ราคาห้าแสนตานหนึ่งคู่รไม่ได้ถ้าข้าพูนราคาไปร่เอแลราต้องไ้ใช้โก้กู้กับวิปัสสนาญาณไม่แค่เรื่ออกหปายครับวิสาบ้านอะลายเป็นรถมันเี้ยผมไม่กาตัวดีนะเอ๊ะมีกุคริวายฐานญาตต่อไปก็แปรปีฐานญาณการถอยหลังใช้ตนเองเรียกว่าบุคคลวายฐานญาณ ถ้ารู primero, them, ้เ yeah? รื่องของคนอื сама, ่นก <Yeah? Karere S 2> ็แปทีตาสียาใช่ไหมันยากนิดเดียวกันทุกคนนะรู้เรื่องของตัวเองถอยหลังกงไปเรียกว่าปุบเปวาสามสียานปุบเปรีวาการสียานญายมันก็รู้ใจก่อนะถ้ารู้เรื่องเขาตนเองก็ดีรู้เรื่องเองสัตว์ไม่ใชรู้เรื่องตัวเองก็ดีรู้เรื่องเองสัตว์อื่นก็ดีรู้เรื่องสถานที่ก็ดีเรียกว่าตีตาสียานรู้ถอยหลังก็ไปนะ เร่องอาตีัญญาเม่ไดกัรรู้ถอยหลังเขาคนอื่แต่เม่อเจนุยาจ้่วัดใหญเขาตายสิ้นไอันนี้สมมติว่าถ้าหักว่าจะมีสมรภูมิก็ทําเลยก็ได้บอาตีตัญญาเราเคยกล่าว่าไอ้สถานที่ที่วัดข้าต้ตั้งอยู่ลานี้เอาในสมัยรุ่นเด็กๆท่บนอาจารยเลยเนี่ ว่าเคยเป็นที่ที่มีพระหันมาสรงตัวอที่นี่บางจังถ้ามีคอ ย, อ ย, ยนั่ตัวด้วย่ว่าไม่กป็นคนขุนะมี่ีมากไหยมากมาาค่ะทำไมบกเลยถ้ยรวมกันคราวมากๆแล้วไปไปมามาไปไปมามา เดิมเราผ้าหเนี s, then, ่ยเขาไม่ใช่ขอกเรายี่เนี่ยของเราไปไหเขาไรานั้นไม่ใช่ในสมัยพุทธกาลันแดนนี้ก็เป็นแดนหนึ่งเขาถือว่าเป็นแดนต่อถ้าว่ามีผ้าแอ่งที่ไหนที่ไั่เถือว่าเป็นแดนต่อแตแดนใดถ้ามีผ้าแห่ันดมากที่นั่นมัก็ไม่เคยขาดเลยเพราะอะไรเขาต้องใช้ก็ทำง่ายดูตัวอย่างเตียงที่พนหน้ากระถิ่นมันล้ว ไอ้ที่คุณเตียงกรรมฐาไม่มีฟันแต่นั้นเป็เตียงที่มันน่ากะเสียดหันหันเพราะน่ากระเยดมันไ่ยากที่พระอย่างท่านจะเดินได้เวลาที่ท่านได้แล้วเตียงนั้นเป็นเตียงที่ถือด้หันนับเป็นแสนเวลาเกล้าที่มัไม่สบายเสียเตียงมันพัดใจโปรใจโกรนีการเดิยกระมฐานกุฏิหลังเดียวกันนั่งกระแสระบุมีลมใจไม่สคนเราทนอันนี้ตอก บ้านใจหลังนั่งจุดมันนั่งในที่แดนพื้นด้างแห่งนี้ใจในสุนทรภัยจะด้านในที่นี้จะไมัยพระรูปตกรบก็ดีละจำในสมัยพระเดชสมานะโอตอนนี้ก็ดีก็มีกระหายมาสมัยวันเสด็กประชุมบัานนี้เติมตรงพะโมกกันลายพระหม่อมก็ตกได้ใส่มาที่มี่สองสาว สามุ่งใจมันใวลานานมาครับใ่ถ้าสามุ่งใจอย่างนี้เองเพื่อเองมาเลยเออได้ลูนั่งอยู่ตรงนี้แล้วที่ตรง้เต้สร้างใหม่ตงที่อสร้างแต่นทานที่สี่ทาได้ทุที่เรสร้างใหม่ก็นกเป็นไปเป็นหล่งศ์ุุเนี้ เ ป, เป็นแดงก่อเลาวันทาไมนั้นโรงหนียนมากในโรงเรนแดดกันโรงเรียนบ้านอยู่อาดเป็นไปโดยจะนั่งที่ตรงนั้นจรงจะเป็นที่สลักสอนทางโยต์คนึ้นมาฝึกพลวิถีได้แล้วถ yeah. ้ากำลังใจดีต้องการเป็นพระอดีตเจ้าท้าไปอยู่แต่โนแต่โนดจให้โอกาสอยู่ได้หนึเดือนเจ้าต้องใช้ใจอ่างพอย่างน้จริา เรื่ไม่ไหวเลยข้าวแหวนแตกน้ำตาลโลกนะที่โล2ยี่บาทกว่าเนี่ย็ใครเขอยากดีเขาก็ก้าลงุนเพราะนั้นบ้านาเร า, า, เาต้องเท่าไ้่เท่าอับตเองต้กงตั่สันเห็นไมมดีไม่ดีในบางแห่เอาแตายบก็เท่าเอสีอันนี้เป็นแหล่งทนะนะี่สุดต้องนงเดือนนี้มันก็เียนว่าวันที่สี่วันที่สีสามารถทำได้ไหมสีหน้าเพ่มขึ้นที่แม่เนหลังมาเลย ใช่ครแม่ก็มีรถักรใช่ใช่ครัแม่แม่ระยะโตที่ถอวหลังมาแถวห่อแค่แค่ก็มีมีคิงคืนหลังเราต้องอาศว่ามีท่านเราจะรู้เองได้คะแบ่ครับไอ้เดียดีต่างสัยญาณยามแม่ดูก็ญญถอยหลังแบบนี้ถ้าถอยหลังเข้าไปเป็นเรื่องคนอืน่นอันนี้ก็เราจะไปที่ไหนเมื่อสมัยน้องพ่อเดินขึ้นลงเดินจากที่นี่กล้วไม่ปักตกลง ตอนเย็ยนาาายยปนักปลดเสร็จอาละวาด้าเสร็จก็ปั่นตรงกระดาษให้เรไปนั่งคนด้วยไม้แต่ต้นจะใส่ให้เขียนอะไรกนว่าจากที่ออกจากที่เดินยืนแาวที่นี้ผ่านที่สำคัญนะไร้างมีบุคคลสำคัญผ่นานที่ผ่านมามีบุคคลสำคัญไม่มีข้าสำคัญมหมนก็เล่ น, นแบบนี้นะ อ, อันนี้ไอเทมตีตาสัญญาไปหลังใส่ นี่ต่อไปนี่ก็เป็นอนาคตังสญญาอานาคตังสุญญาเนี่ยเรื่อยก็อานาพุทนาพราเราก็ไดพวกเขาคนหนาเจ๊ไหมนีเราเอาของของเขาเข้องขับไปไปเจอเร่องของเราก่อนดีกว่ายังซื้อรตั้งรี่ให้บ้านก่อนไม่ตก็มาเชลเปลี่ยนนะไม่ยอมูัเอาของเราไย เวลานี้เป็นปฏิปาทาสุญญาณจะไม่สง น, น, นะเพราะยานนี้ยังไม่สูงอ้าลายทัาการสุ ญ, ญาณมาถึงกาอนาคตจิก่อพพุทธเจ้ากันนะอย่าลอยลอยมาแทะลมเอียงไม่ได้นะตัางจั่บัรดนี้ไปเวลานี้จิตใจข้มมนดาของเรามีจิตงุ่งมั่นหวังผลพลานาล์ ไอ้กำลังใจที่วังบริบาลในอารมณ์ก็เาเอากข้าชีวตนด้วยเอาเรายนได้ว่าสุขคนเียสลาความสุขชีวิตจะ เ, เลือกเื้อไม่จะใครไงน อ, อกจากบ้านมันจะนทังถึงนีน่ความสำคัญมาปฏิบัติทำไม่เชื่องอานสาธาณะประโยชน์พอทำวันนี้ไม่ได้เห็นได้ตัวเลยเห็นจุดอย่างเดียวคือสาธารณะประโยชน์สว่างผู้ใดไปติดตัวนี้อง เ, เขาเลเขาะมานีก็บอกว่าเป็นจิตที่ดี ในตอนนี้ไปก็ทุ่นฐานองค์เ็ชกินลสีว่าถ้าพระเจ้ามีความปรารถนาดีอย่าง้ืมระวังฤดูใบไม้ร่วงไดว่าชีวิตของคนมันไม่แน่ไม่ก็มีสภาพแปรผันมาเมื่อดีฝ้าอ า, ากาศเป็นไปก็ดูแมมลบางทีก็ฝนตกแทนแดดก็ดูฝนบางทีก็แดดแทนผนทีมันไม่แน่นอนนะ ไมอยาก็ระพุ่นาโอ้ทานเป็นผู้มีข้าเจ้าตั้งแต่บบนี้เป็นคนไปเจ้กว่าข้าพุทธเจ้าใจขึ้นในที่ไหนกำลังใจข้าพุทธเจ้าจะมีโอกาสเข้าถึงอาตมตอนที่ตนมีผิดจะพ้พนด้างนะเมื่ความตั้งนี้ไปจถึงเวลาจะถึงวันตายอนวันที่มันจะตายได้ก่อนหน้าวันตายเช่วันเช่นวันเราจะถึงอาตมหมถึงจะถึงเลย แก่แก่แต่ว่า้องแข็งแรงอยู่ใช่แล really ้วแล้วจะแข็งรก็หมายควาเอาแก่กไม่แก่แล้วอายุมากหมแก่ค่ะอายุมากเลยนะอายุมากเลยนี่นี่อะไรตึกหนนะใช่ค่ะแล้วแต่เนื่องกการคุ้มครองด้วยการเงเยอะๆงว่าคุณคุณจะทำนี้ก็ทำนี้นะเปนถายในตอนหนึ่งว่าก่อนที่ข้าวเวรเจ้าจะต้องขึ้นลงกรา อาการป่วยเมื่อมีเขามาถึงทุกเวทนามม่ก็ลำมากใจจะกลุงออกเขาเลยเขพูดมีท้าจะว่าเวลาแมทุกเวทนามันจะเบียดเบียนหนักมาต่องตรงกำลังใจไม่สยนมีไหมตรงของเราไม่ก่อนตรงาไม่พาะใจจิตจะไม่พามันจะต้องตั้งใจมาก่อนที่ะเีย